ทีนี้ท่านเรียงสูตรนะครับสูตรแรกเป็นทานสูตรที่สองเป็นศีลมาสูตรนี้เป็นภาวนาบ้างเป็นวิปัสสนานะครับว่าพินธนาสูตรนะครับว่าด้วยสิ่งที่จะต้องแตกเป็นธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนานะครับเท่ากับแสดงทานศีลภาวนาตามลําดับจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพาดหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย กายนี้มีความแตกเป็นที่สุดวิญญาณมีความคลายไปเป็นธรรมดาขันท่าปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับกายนี้ต้องแตกแน่นะครับตาก็แตกหูจ ม, มูกลิ้นผมขนเล็บแต่ละอย่างทุกอย่างเนี่ยนะครับแตกหมดแน่แล้วก็วิญญาณที่อาศัยกายนี้อยู่ล่ะครับจะขูวิญญาณที่อาศัยตาถ้าตาแตกวิญญาณก็ดับไปด้วยโสตะ เป็หูแตกนะครับโศตาวิญญาณเป็นต้นก็แตกด้วยทั้นจมูกลิ้นกายใจอากายแตกใจทั้งหลายที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเป็นวัตถุและเป็นอารมณ์เป็นต้นก็แตกไปด้วยนะครับขันทัปปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะมีแล้วไม่มีนะครับขันทัปัญจกะคือขันทั้ง5้าเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวนะครับขันทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาเพราะามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับ ขันทั้งหมดเนี่ยแ ป, ปรปลุนไปเป็นธรรมดาว่าเป็นไปตามปัจจัยครับถ้าอนัตตาก็ไม่มีสาระนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุ ร, รู้กายว่ามีความแตกไปเป็นที่สุดนะครับรู้วิญญาณว่ามีความย่อยยับเห็นภายในขันธปัจจักะทั้งหลาย เรื่องชาติและมรณะได้นะภัยของขันคืออะไรบ้างครับภัยของขันคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นตนนั่นเองนะครับเรื่องความเกิดและความตายเสียได้คือหมายความว่าบรบรลุนิพพานก็พ้น น, นะนะมีตนอันอบรมแล้วจำนงหวังอยู่ซึ่งการเป็นที่ดับขันเพราะบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่งก็คือบรรลุพระนิพพานนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นขันถ้าปัญจกะย่อยยับเป็นธรรมดาเป็นต้นอันนี้เป็นทุกขสัตนะครับมีตัวนั้นอบรมแล้วก็เป็นมรรคสัตนะครับความสงบแห่งขันทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นเป็นนิโรธสัตนะครับเหตุให้มีขันนั้นเป็นสมุทัยสัตนะเพราะฉะนั้นประกาศอริยสัจรเรียบร้อยแล้วนะครับมีใครทราบซึ้งอริยสัจอะไรบ้างครับหรือว่าอุเบกขา ยานวิทประยุทธ์อีกบางหากเนาะโอ๊ ย, น, อย น, น้อยเกินไปนะครับเข้าไม่ถึงนะครับแสดงว่าบอมลึกมากอินซีมันน้อยเกินอินซีเราน้อยนะครับไม่ใช่สูตรน้อย <c oughs> <c oughs> บอม <c oughs> อธกษถานะครับบทว่ากายโยได้แก่รูปประกายก็รูปประกายนั้นชื่อว่ากายเพราะอาิาว่าเป็นที่ประชุมแห่งอวัยวะ น้อยใหญ่ทั้งหลายมีผมเป็นต้นนั่นเองนะครับนะในคำว่ากายก็คือเป็นที่ประชุมของอวัยวะน้อยใหญ่ฮะพี่พี่ประชุมของหูของหัวของตาของจมูกของปากของแขนของขาของอวัยวะทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ากายนะหรือว่าเป็นที่ประชุมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเป็นต้นนะครับก็เลยเรียกว่ากาย และชื่อว่ากายเพราะมีวิเคราะห์ว่าเป็นอายะคือเป็นแหล่งเกิดแห่งของน่าเกลียดน่าชังทั้งหลายดังนี้บ้างนะครับเป็นเป็นที่เกิดของสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดเลยนะครับเช่นะนะครับผมเนี่ยนะดูงามแต่ถ้าลองเอาไอาอะไรนะที่มันเปื้อนผมนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งหลายแล้วนี่ยนะครับถ้าหาว่ามันหลุดออกมาจากผมเนี่ยรับไม่ได้นะครับ ดูงามๆเนี่นะถ้าหลุดออกมาจากผมรับไม่ได้ก็เหมือนอาหารนี่นะครับผมหลุดร่วงใส่อาหา ร, นนรนนเนี่นะครับขนมจีนนี่นะครับมีผมอยู่ด้วยสักยี่สบสาสิเส้นเนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวเลยนะครับนะจมูกดูงามนะครับแต่ถ้าน้ำมูกหยดใส่อาหารติ๊งติงนะครับน้ำมูกนี่หยดใส่แกงจืดอย่างเงี้ยนะครับน้ำลายตกใส่ข้าวผัดอย่างเงี้ยนะครับไม่ไหวแน่นะครับเพราะฉะนั้นผิวหนังถ้าร่วงหรือเลือดถ้าหยดเป็นตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามถ้าหลุดมาจากกายนี้ละมันไม่ไหวจริงๆนะครับ ของเราด้วยของคนอื่นด้วยนะครับรมมนะครับงั้นถ้าโดยปกติทั่วๆไปแล้ว่เป็นของที่น่ารังเกียจนะครับถ้าหลุดออกมาจากกายนเนี่ยนะกลิ่นออกมาจากกายแล้วก็เสียงทั้งหลายออกมาจากกายเนี่ยนะครับรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะครับส่วนที่หลุดออกมาจากกายเนี่ยนะครับปฏิกูลจริงๆน่าชิงชังเชื่อก็เอาผมมาครับมันก็ฟันเนี่ยนะครับถอนฟันมาเอามาดิไม่ไหวแล้วนะครับ ในคำว่ากายนั้นมีอัตถพจน์ดังต่อไปนี <c oughs> <ค>้นะครับกาอาการชื่อว่าอายะกายเนี่ยชื่อว่าอายะเพราะเป็นที่มานะอายะเนี่ยนะเป็นเหมือนกับบอเป็นที่มาถามว่าอะไรมาต่อว่าสิ่งที่น่าเกลียดมีผมเป็นต้นอะไรมานะผมขนเล็บฟันหนังก็นี่แหละครับมาจากนี้แหละดังนั้นอาการชื่อว่ากายเพราะเป็นที่มาของน่ากเกลียดทั้งหลายดังนี้บ้างนะครับเป็นที่มาของสิ่งน่ากเกลียด มีขนาดผลของบุญนะครับมันยังน่าเกลียดขนาดนี้นะแต่โดยใจความแล้วได้แก่กองแห่งธรรมะทั้งหลายนะครับผู้ดโดยประมัดอ่ะนะก็คือภูตรูปและอุปาทายรูปที่เป็นไปอยู่ด้วยอํานาจสันตติ4อย่างคือกมมรรมสันตตินะครับคือกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมอาหารสันตติกลุ่มรูปที่เกิดจากอาหารจิตตชรูปสันตินะครับกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตแล้วก็อุตุสันตตินะครับกลุ่มเชรูปที่เกิดจากอุตุทั้งหลายนะครับ คือมหาพูทและอุปาทานรูปนั้ น, น่ะเกิดจากสมุทฐานทั้งสี่ประการซึ่งมีพุทธะที่บายดังนี้ว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายรูปประกายที่สําเร็จด้วยมหาพูททั้งสี่นี้มีการแตกดับมีการแตกสลายไปเป็นสภาวะมีการกระจัดกระจายไปทุกขณะเป็นสภาวะนะครับมันหลุดไปเรื่อยนะครับอย่างผิวหนังเนี่ยมันก็หลุดมันก็หลุดทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเพราะฉะนั้นถ้าไม่อาบน้ํำหลายๆวันเนี่ยนะครับมันก็ลอกกันนะ มันก็เป็นเรียกว่าคี้คลายทั้งหลายแหละก็คือผิวหนังที่แห้งมันตายนีครับมันหลุดมันเกิดการกระจัดกระจายไปทุกขณะนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับแม้แต่เลือดนะครับเลือดช่วงหนึ่งอยู่ที่ศีรษะอีกช่วงหนึ่งไปอยู่ที่เท้าแล้วนะครับเลือดประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับมันไหลเวียนทั่วร่างกายนะครับมันก็เหมือนกับมันสูบฉีดนะครับมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเลือดอีกพักหนึ่งมาเลี้ยงตาอีกพักหนึ่งไปเลี้ยง น่นนะครับขาอีกพักหนึ่งก็ไปเลี้ยงแขนอีกพักหนึ่งก็ไปเลี้ยงตามกระเพาะลำไส้เป็นต้นนะทั้งหมดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้หรอครับมันสูบฉีดถึงกันหมดนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเลือดทั้งหลายเนี่ยฉีดสูบฉีดในวัฏวายวะในร่างกายเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเลือดเนี่ยนะครับผ่านหัวใจเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับหลายหลายลิตรมากเลยนะครับหลายลิตรจริงๆเพราะฉะนั้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงมีการกระจัดกระจายอยู่ตลอดเวลา บทว่าวิญญาณังได้แก่กุศลจิตเป็นต้นที่เป็นไปในภูมิสามนะครับคือกุศลจิตที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดนะครับกุศลจิตหรืออากุศลแจิตวิบากจิตกิริยาจิตทั้งหลายแหละที่อาศัยกายเหล่านี้เกิดอันสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วไปนะครับไม่ได้มีความจีรังอะไรส่วนอัตพจน์มีดังต่อไปนี้นะครับคือความหมายของศัพท์นะจิตชื่อว่าวิญญาณเพราะว่ารู้ชัดซึ่งอารมณ์นั้นๆ น, น, นะครับ เพราะว่าการแยกความรู้สึกออกจากความจำได้คือรู้ชัดอารมณ์ได้แก่ญาณ น, นะครับอุปัติเชื่อวิญญาณคือจิตนี่นะครับมันแตกต่างจากสัญญานะครับแตกต่างจากปัญญานะครับเพราะฉะนั้นไอ้จิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับมันธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี้ก็อาศาัยกายเหล่านี้นี่แหละเกิดนะครับ แ ล, แล้วจิตเหล่านี้ก็วิราค่าทำมังมีความเสื่อมคลายไปเป็นธรรมดาคือมีความแตกดับเป็นธรรมดานะครับถ้าวัตถุเปลี่ยนจิตก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนทวารจิตก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้น alright. จิตท า, ทางตาก็อย่างหนึ่งจิตทางหูทางจมงกูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็อย่างหนึ่งทีนี้ถ้าทางตานะครับจิตที่มีสีเขียวก็อย่างหนึ่งจิตที่มีสีแดงสีดสําสีแต่ละสีก็เหมือนก็คนละอย่างจิตที่รับรู้อย่างก็คนละอย่างคนละอย่างไป จิตทางหูที่รับรู้เสียงลมเสียงคนเสียงทั้งหลายแหละก็โคนจิตคนจิตคนจิตไปนะครับจิตทางจมูกที่รับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นก็คนละกลิ่นคนจิตคนจิตจิตทางลิ้นที่รับรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันรสฝาดรสเฟืนทั้งหลายก็คนลจิตโคนจิตนะครับจิตที่เกิดที่หัวก็อย่างหนึ่งจิตที่เกิดที่เท้าก็อย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับก็คนจิตที่รับเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงหวจากภายในจากภายนอกก็คนอย่างคนอย่าง จิตที่รับรู้เรื่องราวแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็มีความเสื่อมความคลายไปเป็นธรรมดานะครับแต่จิตทั้งหลายเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปก็เป็นไปตามปัจจัยของเขาจิตที่รู้ทางตานี่รับทีละสีละสีเลยครับก็ อ, อย่างนั้นอยู่แล้วแล้วแล้วอะไรมาประมวลทําให้เรารู้เรื่องรู้ราวนี้เป็นมโนวิ ญ, ญญาณครับชาวนะในมโนวิญญาณนะครับอืคือชาวนะในมโนทวารวิถีเป็นตัวประมวลนะครับ ครับรับรู้หลายวิธีแล้วก็ประมวลทีงรับรู้หลายวิธีแล้วก็ประมวลทีนี้อ่าด้วยความชํานาญของการประมวลนันก็เลยรับรู้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตาไปหมดเลยนะครับ เ, เพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ก็ต้องหมั่นวิเคราะห์ก่อนนะครับคือความรวดเร็วนะครับรวดเร็วนะก็คิดดูนะครับว่าจิตเนี่ยนะเราก็บอกว่ามันรวดเร็วทที่จริงถ้าดูแบบโลกโลกนะอย่างเช่นโทรศัพท์ทางไกลาจากนี่อเมริกาก็คุยกันเหมือนกับคุยกันต่อหน้านะครับ นี่คือความรวดเร็วของขนาดมหาพูทรูปนะมันยังรวดเร็วขนาดนั้นได้ถจิตแต่ะดวงก็มีสัญญาประกอบร่วม<ก>ด้วยนะนา ม, มาขัน ท, <ำ>ทั้งหมดก็เกิดร่วมนะครับคืออนุภาพทั้งหลายบางทีก็ไม่ใช่สัญญาก็ได้นะครับด้วอนุภาพของสันตติด้วยอนุภาพของอุปนิสัยทั้งหลายเลยนะครับปัจจัยมันเยอะนะครับยกให้ปัจจัยก็ผ่านนะครับสบายมากบทว่าสัพเพอุปทิติความว่าอุปธิเหล่านี้คือขัน อุปธิคือขันนะครับอุปธินี่แปลว่าเป็นที่ทรงไว้แห่งทุกนะครับคือขันอุปธิคือกิเลสอุปธิคืออภิสังขารหมายถึงกรรมนี่นะครับอุปธิคือเบญจากามคุณที่หมายรู้กันว่าอุปธิเพราะอัดว่าเข้าไปทรงทุกข์ไว้แม้ทั้งหมดก็ได้แก่อุปาทานขันนะครับไม่ว่าจะอุปธิคือขันกิเลสอภิสังขารหรือกามคุณห้าจริงๆแล้วตัวก็ได้แก่ขันห้านั่นเองนะครับอุปาทานขัน กิเลสเป็นอภิสังขารเป็นเบญจากามคุณชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะอัดว่ามีแล้วก็กลับไม่มีชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะว่าเกิดขึ้นและเสื่อมไปและบีบคัน้นชื่อว่ามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะอถาว่าละปกติเหตุเป็นสภาวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุสองประการคือชรา ก, กับมรณะนะครับันสะรุปแล้วว่าขันแต่ละขันก็ไปสู่ชราและมรณะหมดเลยนะครับ ตาก็ไปสู่ชราและมรณะหูก็ไปสู่ชราและมรณะจมูกก็ไปสู่ชราและมรณะถ้าใช้คำว่าชรานะบวกพยาธิที่เข้าไปด้วยเลยนะครับลิ้นก็ไปสู่ชราและมรณะกายแต่ละส่วนนะครับตั้งแต่ผมไปจนถึงเล็บเท้าเนี่ยนะครับก็แต่ละอย่างก็ไหลไปสู่ชราและมรณะนั่นเองนะครับเอาไว้ว่าทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่านี่ก็ไหลไปสู่สิ่งเดียวกันคือชราและมรณะ ด้วยประการดังที่พันนามานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงวาระแห่งการพิจารณาคือสัมมสนายานนะคบตามอัธยาศัยแห่งบุคคลผู้รู้อย่างนั้นโดยมุก ค, คือแนวทางแห่งอนิจจานุปัสสนาและทุกขานุปัสสนา สูตรนี้นะครับเน้นอนุปัสนาสองนะคืออนิจจานุปัสนาและทุกขานุปัสนาว่ากายนี้มีความแตกเป็นที่สุดวิญญาณมีการคลายไปเป็นธรรมดาขันธ์ทปัญจกะทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปลีนไปเป็นธรรมดาขันก็เน้นอนิจจังกับทุกขังนั่นเองนะครับนะเน้นสภาวะที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยสา ม, มารถแห่งอนิจจานุปัสนาและทุกขานุปัสนาปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ ทรงแยกรูปธรรมนะครับและวิญญาณออกจากกันแล้วทรงรวมธรรมะอันเป็นไปในภูมิสามแม้ทั้งหมดเข้าเป็นอันเดียวกันตอนแรกก็แยกอะ น, นะกายกับวิญญาณออกก่อนเสร็จแล้วก็ประมวลกายกับวิญญาณเข้าด้วยกันเป็นไปในภูมิ3นะครับแล้วก็มาจําแนกออกเป็นอุปทิอีกนะครับในบรรดาลักษณะทั้ง3นั้นนะครับอนิจจารักษณะเห็นได้ง่ายคือไม่เที่ยงเป็นทุกแปรณาตาเนี่ยนะไม่เที่ยงนี่เห็นง่ายนะครับ ก็บรรดาลักษณะทั้ง3มนี้ลักษณะสองอย่างเท่านั้นมีแล้วในพระบาลีก็จริงนะครับนะในสูตรนี้นะในสูตรนี้มีอ น, นิจจังกับทุกขังแต่ถึงกันนั้นนะครับก็โดยพระบาลีว่าสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาพึ่อเข้าใจว่าแม้อนาตตาลักษณะพระองค์ก็ทรงแสดงไว้แล้วเหมือนกันด้วยทุกคลักษณะนั่นเองนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ นะสิ่งใด ไ, ไม่เที่ย ง, <S <S งเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตานะครับเพราะว่ามันไม่เที่ยงด้วยอ่ะมันเป็นทุกข์ด้วยอ่ะมันจะเป็นอัตตาได้ยังไงอ่ะทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยนะครับขออภัยครับคําว่าทุกข์คเนี้หมายถึงความแปรปรวนทุกข์ในที่นี้เน้นว่ามันไม่เที่ยงนะครับจึงเรียกว่าทุกข์หมายถึงอุปาทานขันห้านะเพราะมันไม่เที่ยงแต่ที่มันไม่เที่ยงอะ่ะเพราะมันเป็นไปตามปัจจยัยการที่เป็นไปตามปัจจัยนั้นชื่อว่าไม่เที่ยง ไออาการที่ไม่เที่ยงนั่นแหละเรียกว่าเป็นทุกไออาการที่เป็นทุกข์นั่นแหละจะเป็นอนัตตาเอาใหม่นะเนื่องจากมันเป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละมันจึงไม่เที่ยงไอความที่มันไม่เที่ยงนั่นแหละจะบอกว่าเป็นสุขได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์ไออาการที่เป็นทุกข์จะบอกว่าเป็นอัตตาได้ไหมว่าเราหรือของเราหรือแเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยบอกได้ไหมก็ไม่ได้อะคําว่าคําว่าไม่ไม่เอ่อคำว่าไม่ใช่สุขมันจึงเป็นทุกข์ใช่ไหมคืออานน้ใหม่นะ สิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยอะนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะครับมันไม่เที่ยงสักอย่างหรอกทีนี้ไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงแบบนี้เนี่ยบอกมันสุขได้ไหมล่ะคำว่าสุขคําเนี่ยเพราะว่าเอานี่ยนะสุขเพราะว่ามันมันมันเที่ยงอะเช่นสุขเพราะมันเที่ยงแบบนี้นะครับเหมือนนิพานเนี่ยบอกได้ไหมไม่ได้นิพานเนี่ยเที่ยงนิพานจึงเป็นสุขแต่สังขารทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามปัจจัยมันจึงไม่เที่ยงนะครับที่มันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะมันมันบีบคั้นนะครับมันเกิดดััับบบหรือมนนีค้่ะ เพราะมันเป็นไปตามปัจจัยนะเนื่องจากมันไม่เที่ยงอนะเพราะฉะนั้นมันมีความบีบคั้นเรื่อว่าปีละณะนะครับหรือว่ามันน่ากลัวก็ได้นะครับเพราะนั้นเรียกว่ามันเป็นทุกข์นะฉันอัดคําว่าทุกข์เนี่ยบางทีก็หมายถึงว่ามันบีบคั้นก็ได้นะครับหมายคือว่ามันน่ากลัวก็ได้เพราะมันชาติทุกข์อย่างเงี้ยนะครับชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงน่ากลัวนะครับแล้วก็บางทีก็ถ้าทุกข์บางทีก็เหมือนกับฝีเหมือนกับลูกศ้อนเนี่ยนะครับนะ คือไม่ต้องเอาเวทเวทนาไปจับก็ได้นะครับไอ้ที่ทุกจริงๆโดยมากเราจะคุณเฉพาะเวทนาอย่างเดียวโดยเฉพาะทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นคําว่าทุกในที่นี้เนี่ยนะครับทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณทั้งหมดก็เป็นทุกทั้งนั้นแหละพ่อรายพาะมันไม่เที่ยงทําไมจึงไม่เที่ยงอ่ะพราะมันเป็นไปตามปัจจัยอ่ะแสดงว่าปัจจัยก็ต้องไม่เที่ยงด้วยก็ขนาดปัจจัยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะครับทำไมปัจจัยจึงไม่เที่ยง ก็ปัจจัยก็เกิด mind, hence, จากปัจจัยอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างใช่ไหมว่ารูปประคันเนี<ม>่ยเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยอกรรมก็เกิดจากปัจจัยเองนะครับถามว่ากรรมมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีตัณหามีอุปาทานเป็นปัจจัยอนะครับแล้วเวทนาก็มีกรรมเป็นต้นแหะเป็นปัจจัยเอากรรมก็เกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยทีนี้แล้วไอ้ตัณหาอุปาทานก็มีปัจจัยอีกครั้งนะครับมันไม่ได้อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นได้เองมันก็เกิดจากปัจจัยคือเวทนา เวทนาก็เกิดจากปัจจัยก็คือภาษะเป็นต้นนั่นแเป็นปัจจัยแม้แต่ภาษะมันก็เกิดจากปัจจัยนะครับมันก็ไม่ได้เที่ยงอะไรหรอกมันก็เกิดจากนามรูปเกิดจากสลายตนะเกิดจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากกรรมอีกนั่นแหละครับเป็นปัจจัยมันเป็นไปตามปัจจัยในลักษณะเนี้มันจึงไม่เที่ยงนะครับไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์นะครับไอ้ความที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยจะบอกว่าของใครได้ไหม จะบอกว่าเราหรือว่าของเราว่าอัตราของเราเป็นตัวเป็นตนแท้ๆได้ไหมเพราะมันเป็นไปตามปัจจัยแบบนี้ยมันก็ไม่เที่ยงแบบนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะนี้เนี่ยครับแต่ว่ามันเกิดเป็นไปตามปัจจัยแล้วมันมันมันจะเกิดนอกเหนือจากปัจจัยไม่ได้นะครับอย่างอย่างนิพพานเนี่ย เ, เราเจริญไปตามอรียมากมีองแปดนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้น อริยมรรคมีองค์แปดชื่อว่าเป็นปัจจัยของนิพพานได้ไหมถ้าบอกว่าเป็นเหตุให้รู้แจ้งพระนิพพานไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอริยมรรคมีองค์แปดนิพพานเนี่ยนะครับเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วนะ ค, ะครับธาตุอันนี้มีอยู่แล้วธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคอันนั้นนะครับทําพระนิพพานให้แจ้งนะครับ นะครับอริยมรรคทำพระนิพพานให้แจ้งนะซึ่งอะไนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วสำนวนนะถ้าถ้าผมอุปมานะว่าเหมือนกับว่าแสงสว่างเนี่ยมีอยู่แล้วรักษาตาให้หายก็จะมองเห็นแสงสว่างเองนะครับ น, นะถ้าถ้าอันนี้ผมอุปมาเองนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการรักษาตาให้ตาดีเนี่ยนะครับเหมือนกับการเจริญอริยมรรคแต่นิพพานก็โล่งสว่างอยู่แล้วนะครับมันเขาบอกว่ามันชัดสําหรับคนมีปัญญาอยู่แล้วท่านหวังงั้นนะ บางสูตรเขบอกว่านิพานเนี่ยปรากฏชัดอยู่แล้วของคนมีปัญญาเนี่ยนะเพราะทะลวงไปทางเส้นผมก็มองเห็นนิพานนั่ก็ได้นะครับไปทางเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็สามารถทําพระนิพานให้แจ้งได้หมดละครับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถวิเคราะห์ทำพระนิพานให้แจ้งได้หมดอนะ่ะสำคัญที่อยู่ที่ว่าจาักคุ่งเกิดหรือยังนะครับจกักขุทาปาทียานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ นะครับจากขู่ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วมองเห็นวันนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็สามารถทําให้แจ้งพระนิพพานได้อย่างที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอริยมรรคเป็นเหตุทําให้สภาวะนิพพานเกิดขึ้นแต่อริยมรรคที่เรียกว่าเป็นเหตุเพราะเป็นเหตุให้ทําให้แจ้งพระนิพพานนะครับก็วนะิจัยกันต่อไปนะครับถ้าฟังแล้วเข้าใจก็เป็นพระโสดาบันนะครับถ้ายัางไม่เข้าใจก็แสดงว่าเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับ นะี่เออนี่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะก็จะได้วิเคราะห์ต่อไปจะได้ไข้ควรต่อไปนะครับส่วนในพระคาถาที่พระ อ, องค์ตรัสว่าภิกษุรู้กายว่ามีความแตกไปเป็นที่สุดและรู้วิญญาณว่ามีความย่อ ย, ยับไปเห็นภายในขันธทปัญจากาศทั้งหลายแล้วล่วงชาติและมรณะเสียได้มีตนอันอ บ, บรมแล้วจานง อยู่ซึ่งการเป็นที่ดับขันเพราะบรรลุถึงความสงบอย่างยิ่งอธิบายว่าอุปทีสุพยังทิสวาความว่าเห็นภายในอุปทิทั้งสามด้วยสา ม, มารถแห่งพยตูประฐานญญาคือเห็นความที่อุปทิเหล่านั้นเนี่ยเป็นของน่ากลัวนะครับในภูมิสามเนี่ยนะขันในภูมิสามเนี่น่ากลัวหมดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิปัสนาที่มีกําลังด้วยบทว่าอุปทีสุพยังทิสวาดันางนี้นะครับครับ พลาววิปัสนาเนี่ยนะครับเป็นชื่อของวิปัสนาระดับพ in ังคยานเป็นต้นไปนะครับหรือว่าพยตูปฐนายานอาทีนวายานนิพพายานอันเดียวกันนะครับน่ากลัวพยตูปานายานอาทีนวายานนิพพายานนี่ต่างกันโดยพยัญชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็โนนระดับโน่นนะครับทีนี้พยานเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่สังขารุเปขาญาณมุนจิตุกรรมมยตายานปฏิสังขานะ ยานเป็นต้นนะครับก็เป็นอุปนิสัยแห่งมรควิธีเกิดขึ้นก็ทําให้แจ้งพนิพานได้นะครับเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทรงจําแนกพระยตูปฐานยานนั่นแหละออกไปแล้วตรัสวิปัสนาที่มีกําลังเป็นอาทีนวานุปัสนานิพพานุปัสนาโดยเป็นยานที่แปลกกันคือต่างกันแต่เชื่อนะบทว่าชาติมรณะมัจจาความว่า พิสูจน์พิจารณาอย่างนี้อยู่จะสืบต่อวิปัสนาญาณด้วยมัคนะครับคือวิปัสนาเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของมัคแล้วจะบรรลุอรหัตผลต่อจากมัคนั้นไปย่อมเชื่อว่าเป็นผู้ล่วงพ้นชาติและมรณะได้ล่วงพ้นได้อย่างไรนะครับบทว่าสัมปัตตวา ปรังสันติความว่าเพราะบรรลุสันติธรรมนะถามว่าพ้นชรามรณะได้ยังไงเพราะบรรลุนิพพานน่ะนะอันยอดยิ่งคือสูงสุดได้แก่ไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าคือนพนิพานอันเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งมวลและพิสูจนนั้นเป็นอย่างนี้บทว่ากาลังกังคติภาวิตัตโตความว่า ภิกษุชื่อว่ามีตนอบรมแล้วเพราะความเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาเหตุที่สำเร็จการบรรลุภาวนาด้วยสามารถแห่งอริยมรรคสีไม่อาลัยถึงความตายและความเป็นอยู่นะครับย่อมจำานงหวังคือเล็งเห็นกาลกิริยาด้วยขันธปรินิพานของตนท่ายเดียว เธอไม่มีความปรารถนาอะไรๆดังนี้นะครับมีคําว่าตถาคตอยู่ในในคาถารับสมองอ่างตอนล่างเนี่ยมีไหมไม่มีที่จริงเป็นคาถาของภาษาริบุตรนะครับไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่เขาแปลโยกพุทธพจน์มาที่จริงแล้วเป็นคาถาของภาษาริบุตรกล่าวไว้ในเทรคาถาว่าเราไม่คํานึงถึงความตายไม่คํานึงถึงชีวิตมุ่งแต่การกิริยาคือปรินิพานอย่างเดียวเหมือนลูกจ้าง มุ่งแต่ค่าจ้างเท่านั้นดังนี้นะครับในเทระคาถาเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้เขาโยกว่าเป็นพุทธพจน์ตรัสนะครับอันที่จริงแล้วคือถ้าตรัสตามแนวพุทธพจน์ก็จ ะ, อ, ะอนุมาณว่าเป็นพุทธพจน์ก็พอได้นะครับอนุโลมตามะนะถ้าอนุโลมตามก็เรียกว่าพุทธพจน์ก็ได้นะครับ